เพราะความเจริญในธรรมจะมีดนท่านผู้ฟังทั้งหลายต่หงประพุทธยานกำลังนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการจัดองค์ ก, กรของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็เลยเถิดมาปฏิรูปศา ส, สนาวัฒนธรรม แล้วในช่วงต่อมาก็แถมศิลปะเข้าไปด้วยประเด็นที่มีปัญหามากๆเนี่ยคือมาตราที่สิบเจ็ดกับมาตราที่หกสิบสามแต่ว่าสาระใหญ่มันมาอยู่ที่มาตราที่สิบเจ็ดอย่างที่เคยบอกไว้ในวันก่อนว่าตัวเนื้องานที่ถูกบริหารเนี่ยมันเป็นงาน พระพุทศาสนาศิละปะก็เป็นศินละปะของผู้ถึงสังกัดกรมศิละปากรวัฒนธรรมก็เป็นวัฒนธรรมของผู้ส่วนใหญ่นะซึ่งสังกัดสวชสำนักวัฒนธรรมแหงชาติแต่ว่ามีตัวแทนของศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรองมาร่วมบริหาร ในขณะที่ศิละปะบางอย่างวัฒนธรรมบางอย่างซึ่งเป็นของศาสนาเราอื่นนั้นคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีส่วนในการบริหารเขาโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคือองค์กรทางศาสนาไม่มีรายละเอียดบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่อย่างไร ต่อตองค์กรทางศาสนาของเขาคือต้องมีก็ในกรณีของการให้ให้คุณคือส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้นแต่เนื่องจากงานส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นของพุทธแต่นั้นถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวคณะกรรมการคือคือจำนวนของกรรมการดร้วยว่า ตัวบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการให้เป็นเรื่องของาศาสนาใดก็าศาสนานั้นซึ่งอาจจะใช้ข้อความว่ากิจกรรมทางาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของาศาสนาใดให้อยู่ในความรับผิดชอบองค์กรขององค์กรบริหารสูงสุดในาศาสนานั้นๆแล้วก็จะเป็นการยากที่ จะพูดรับได้หรือควรจะรับหรือแม่จะคิดจะรับเอามาสังเกตจากหนังสือที่มาได้เพลียงออกไปเรื่องไม่ไม่ยกย่องก็อย่าหยียบจังมีกระแสะตอบรับต้องการหนังสือเหล่านี้เป็นจานวนมากมากจนประชาชนได้แสดงความสนงเป็นกับภาพพิน และยังคิดว่ากว่าจะถึงวันที่สิบเนี่ยหนังสือนี้จะต้องออกมาเป็นแสนและจะกระจายไปสู่ส่วนต่างๆของประเทศในขณะเดียวกันก็มีมูลนิธิคือรับที่จะให้บุคคลอ่านข้อความหนังสือลงเทพคัดเร็จเพื่อเผยแพร่ออกไปถึงสื่อวิทยุแล้วก็ชุมชนต่างๆ แสดงเหตุตั้งการตอบรับบนหนังสือเล่มหนึ่งที่ออกมายังไม่ถึงเดือนเนี่ยมีการพิมพ์ออกไปเป็นแสนเล่มเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาละเป็นการแสดงเนตตั้งความตื่นตัวของพุทธศาสนิกชนว่าอยู่ในจุดที่ยอมเช่นนั้นไม่ได้แต่มาเองยังมองในแนวที่เรียกว่า คือถ้าเรามีความสุจริตใจจริงๆมีเจตนาดีจริงๆตัวทุกศาสนานะครไม่ใช่ศาสนาอะไรศาสนาหนึ่งเพราะว่าถ้าเรานั้นจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามก็คือคนไทยด้วยกันย่างน้อยเราอยู่ประเทศเดียวกันแต่ดินเดียวกันมีพระมหา ก, กาษัตระสาตรองเดียวกันแล้วก็ร่วมทุ่มร่วมสุขกันอยู่ในชาติปังเมือนนี้ โดยตรงนั้นอาจจะมีน้อยแต่ว่าโดยอ้อมนั้นก็เรียกมีอยู่เป็นปกติวิสัยแต่เนื่องจากเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดก่อนแล้วก็บอกปางแล้วก็ไม่มีการจัดองค์กรในลักษณะนี้ในส่วนใดของโลกโตขึ้นก่อนให้เดินหน้าต่อไปมันก็จะมีแต่ปัญหาดังนั้นมติของชาวพุทธ กลุ่มหนึ่งที่ออกมาหลังจากการประชุมสัมนากันสองครั้งใหญ่ๆแล้วก็ประชุมเป็นกลุ่มย่อยในส่วนต่างๆตลอดถึงความคิดเห็นที่ออกมาจากทั่วประเทศเนี่ยคือส่งมารวมศูนย์ไว้ที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคือระดับแกนนำมีความเห็นที่เด็เกๆฉัน คือหลังจากผ่านการพยายามประนีประนอมกันมาแล้วก็หลายระดับคือหนึ่งก็ให้ตัวแทนาศาสนาอื่นซึ่งไม่มเกี่ยวกับเรื่องของเขาเนี่ยออกไปจากกรรมการชุดนี้พูเทธลไรเนี่ยเขาไม่ยอมขยับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า กิจกรรมของาศอาสนากิจกรรมทางด้านาศนาสนาศิละปะและววัฒนธรรมของาศาสนาใดๆก็ให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรบริหารสูงสุดแห่งาศาสนานั้นๆมันจะต้องมีข้อความประโยคนี้แล้วในที่สุดก็ถึงจุดที่เราจะแยกไว้ศิละปะอะไรต่างๆประติมากรรมสถาปัตยกรรมวิจิตรศิลป์นินสศินต่างๆที่มีอยู่ในบ้า น, นเมือง ในส่วนใดก็ตามอะไรเป็นของใครและองค์กรบริหารสูงสุดในศาสนานั้นๆก็ต้องนามาบริหารเองแต่เราเห็นว่ายัางไงความเป็นจริงแล้วสมบัติตรง น, นี้เป็นสมบัติของแผ่นดินถึงระดัหบหนึ่งก็เป็นสมบัติของมนุษยชาติแต่เนื่องจากมันมีความผูกพันย่งใหญ่เกี่ยวกับศาสนานั้นๆ ันที่ให้าศาสนาอื่นไปรับผิดชอบหรือไปเกี่ยวข้องหรือเปเมีอำนาจเนี่ยมัานน่าจะถูกทำลายแบบพระพุทธรูปที่อาการนิสถานอย่างที่เป็นตัวอย่างใกล้ๆก็ได้เพราะวมันเป็นสืบเนื่องกับศรัทธาที่ยังรากลึกอยู่ไปในจิตวิญญาณของาศาสนิกในาศาสนานั้นๆแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างช่วยกันรับผิดชอบ ต่างคนต่างฝ่ายต่าง ม, มาช่วยรักษาสมบัติของาศาสนานั้นๆอันเป็นสมบัติของแผ่นดินแล้วก็เป็นสมบัติของมนุษยชาติไว้ให้สืบต่อกันไปถึงการภายภาคหน้าท้าไมอย่างนั้นก็มีประเด็นที่สามก็คือว่าจะต้องแยกมาเป็นองค์กรอีกอย่างเดินต่างหากซึ่งจะสังกัด ธง ก, กีว่าการว่าการกระทรวงการศึกษ า, าศาสนาและวัฒนธรรมหรือสังกัดนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการสังกัดในลักษณะที่เกี่ยวไว้โดยระบบราชการแต่เป็นเป็นองค์กรอิสระเป็นองค์กรรัฐเขาเรียกว่าเป็นองค์กรรัฐที่เป็นอิสระในนามของสภานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่ว่าในการบริหารนั้นรัฐให้การสนับสนุนส่งเสริมสนองแล้วก็ประสานงานให้ต้ององเดียวกับสํานักพระราชวังสํานักอายการสูงสุดสํานักตํารวจแห่งชาติมหาวิจัยภัยภัยลักษ์มหาวิยาลัยสุรนารีมหาวิทยาลัยมหามรคุณราชทิยาลัยเป็นมหาจุลามหาวิทยาลายัามา ย, าลายมหาจุลาลุงกอนราชทิยาลายัยเป็นต้นเนี่ย รัฐก็เกี่ยวข้องในเชิงสนับสนุนส่งเสริมในฐานะที่เป็น อ, องค์กรของรัฐที่สระซึ่งก็มีอยู่มากแล้วในเวลานี้และ ร, ร, รัฐานวลเองก็เปิดโอกาสให้ในลักษณะนี้ทีนี้บางท่านเนี่ยอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าจะทำไมจึงต่อออกมาในลักษณะนั้นบอกว่าเป็นความขัดแย้งที่แน่นอนแล้วต้องการให้เห็นว่างานลงนี้มันเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาแท้ๆนะ ต่นนั้นเรามาจะเอาเนื้อหาของงานที่ก็กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสงานันากงานคณะกรรมการาการศา ส, สนาและวัฒ น, นธรรมมาให้ดูสักชุดหนึ่งนะฮะถือถือว่าเป็นชุดใหญ่อำนาจใหญ่เนะี่ยคือหนึ่งศึกษาวิเคราะห์วิจัยปัญหาและแนวทางการ ศึกษาและการดําเนินการด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกันนโยบายแผนด้านการศาสนาและวัฒนธรรมแลวมาตฐานการศึกษาของชาติเพื่อเสนอนโยบายต่อคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมคืราเห็นว่าตําแหน่งในชักมั่วสังเกตนะฮะอันนี้เป็นคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมไม่ใช่คณะกรรมการ ของสภาการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมหน้าที่ในช่วงหลังนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมการอีกชุดหนึ่งสภาที่ศึกษาโดยตรงแล้วก็เขาก็มาลงไว้ในที่นี้ที่นี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยว่าแต่การ จากการศึกษาดาเนินการด้านศิลธรรมอะไรต่างๆว่าทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะนี่คือปัญหาปัญหานี้ก็ออกมาแล้วนะฮะเราไม่น่าเชื่อ ว, ว่าปัญหาทางศีลธรรมนะเขาโยนให้สถาบันสงฆ์ในขณะเดียวกันเขาก็ยุ่งยั่งถูกศาสนาแต่เขาไม่ได้กตาหนิถูกศาสนาถือว่าเป็นความผิดพลาดของสถาบันสงฆ์ที่การอบร ม, รมยศีลธรรม จะริยธรรมให้แกโยชนแห่งชาติน้ำแสดงให้เห็นเต็งว่าความคิดนั่นเต็งอ่ะลำเอียงนะอคติมาตั้งแต่โบราณเนี่ยเพรอะไรเพราะว่าคณะสงฆ์ไม่เกีย่ยวกับการจัด ก, การศึกษาของเยาวชนแห่งชาติจะต้องจับประเด็นตรงนี้ให้ได้เขาแยกมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชการดี่ห้าแล้วสมัยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีแล้ว แม้แต่โรงเรียนวัดก็ยงตัดวัดออกวัดบวรก็เป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนบวรน่เวศวิหารวัดเทพศิรินก็เป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นั่นก็แสดงว่ามันเป็นอรรากาศอิสระอยู่ภายในวัดนะเอาวัดบวรหนึ่งก็ได้พระไม่ได้มีส่วนในการสั่งสอนนักเรียนอะไรเพราะนักเรียนจะได้หกกระเบนทีลังกาอย่างไงเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรวันเด็กนั้นก็ไม่รู้จักเรา เราก็ไม่เป็นครูบาอาจารย์ของเขาคือกระทรวงศึกษาธิกษะกีดการพระไม่ให้มีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนนักเรียนและไม่เคยมาวันชมงวันนะมันมาตั้งหกสิบกว่าปีแล้วมันเป็นชั่วยุคนแล้วคนรุ่นโบราณที่พระสอนมาน่ะก็เสียดตายไปหมดแล้วนะมันไม่เหลืออยู่ในแผ่นดินนี่คือข้อเท็จจริงมันว่าพระไม่มีส่วนรับผิดชอบแลวคุณได้โยมความรับผิดชอบม่ได้ จนถึงกรรมการเก้าคนเนี่ยไปพูดในทรรนองว่าพระสั่งสอนประชาชนมานานแล้วแต่ว่าประเมินผลไม่ได้วัดผลไม่ได้เพราะนี้จะต้องปฏิรูปใหม่พระก็สั่งสอนประชาชนนั้นเมื่อประชาชนเ้านิมนต์เท่านั้นเองมันไม่มีโอกาสไม่มีสถานะไม่มีตําแหน่งไม่มีหน้าที่ แล้วโดยเฉพาะการปลูกฝังศีลธรรมนัม้นปลูกฝังตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆลองดูสิมีไหมว่าถ้าเป็นครูสอนระดับประถมพระเป็นครูสอนระดับมัธยมพระเป็นครูสอนะ ร, ะ, นรอนะดับอาชีวะมันน่มีมาทั้งหกสิบกว่าปีแล้วไม่ใช่หกสิกว่าปีแล้วร้อยปีแล้วแล้วก็จะมีกนณีก็มนนีที่พระจัดกิจกรรม เอาเด็กเข้าไข่พุทธบุตรพุทธธรรมเปิดสอนเรียนภุทศาสนาวนาทิตขอไปเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนในวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งรรทำมาไม่กี่ปีแล้วก็ไปทำในกรุงเทพเป็นไม่กี่โรงนะฮะต่างจังหวัดย่งหายากเัมนไปนี่คือความจริงว่าเราไม่มีพระทรรงานแล้วเวลาเกิดความผิดพลาดขึ้นมาในด้านศาสนาก็มโยนให้เรา มีปัญหาจะกรการเกิดขึ้นมากมายเสร็จแล้วถามว่านี่หรือเมืองพุทธก็ใช่ก็เมืองพุทธแต่เมืองพุทธไม่ได้ใจความรับผิดชอบของพระพวกเดียวเนี่ยแล้วก็บอกว่าตัวเลขของพระเนี่ยที่ทำหน้าที่สอนนี่มไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซนก็ใช่เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเนี่ยมันเป็นนักเรียนอยู่ตั้งหกสิ้าเปอร์เ็นต ภาคบทใหม่ที่เข้ามาเรียนศึกษาเป็นสามเด่นเล็กปาเล็กเ่นน้อยเนี่ย 65% นะฮะและเป็นภาคผู้เท่าอยู่ 15-17% บรรดาที่ทำ ง, งานสารพัดงานเนี่ยมีนิดถึง 20% หลอกและย่าลืมางา น, น, นสารพัดงานจำนวนคนนิดเดียวนะฮะในบ้านในเมือง น, นี้ยังนึกว่าไม่ถึง 6,000 ครั้ท ง, ทงที่ วัดวาลามันมากจริงๆนีคือวัดต่างๆในบ้านเราในเชีเลียแล้วเนี่ยถ้าเอาพระมาตั้งอาวัดมาหาเนี่ยมันก็ตกวัดหนึ่งไม่เกินเจ็ดรูปเป็นจำนวนคนไม่ได้มากแล้วไม่หนำก็ถูกปิดการโอกาสเมื่อไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับโยวชนบรรดายโยชน์ได้โยนในพระไม่ได้แต่ถ้าเมื่อพระมีส่วนรับผิดชอบ มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนดยชนแน่นอนอยูาาย่ในพระได้เคยไปบรรยายอบรมกับผู้ระดับผู้มวยการในโรงเรียนระดับเนี่ยระับมัธยมเนี่ยที่จังหวัดสุราษฎร์เมื่อหลายปีมานะ้คือตามปกติปัญหาในลักษณะนี้จะมีการถามบ่อยเวลาไปโรมครูเขาบอกว่าพระเดียวนี้ประพฤติไม่เรียบรอย้อยอ่านหนังสือะะก็ตะกุกตะกักฟังไม่รู้เรื่อง หลายคนก็ไม่อยากจะฟังเทศไม่อยากจะเขวัดไม่อยากจะฟังธรรมมีสองประเด็นนะคือความรู้ไม่ดีกับความประพฤติไม่ดีก็ถามในที่ประชุมว่าใครเป็นคนทาปัญหนานี้ไม่มีใครยอมยกมือตามมาการคือคิดไหมลองคิดดูสิว่าพระนั้นเป็นใครพระมาจากไหนพระเป็นกระบวนการเลื่อนไหลหทางสังคม เลื่อนไหลมาจากไหนเล่อนไหลมาจากครอบครัวคนไทยแล้วไหลไปที่ไหนไหลไปที่โรงเรียนอนุบาลก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกไหลข่าโรงเรียนประถมหกปีค่าโรงเรียนมัธยมอีกหปีหรืออย่างน้อยที่สุดก็สามปีแล้วเข้าวิทยาลัยชีวะแล้วไปเข้ามหาวิทยาลัยเทคนิคหรือเข้ามหาทยาลัย แล้วเมื่อบวดเน่ยน อ, นอยู่มันยี่สิบแล้วยี่สิบขึ้นแล้วซึ่งหมายความยังไงหมายความว่าผ่านระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับท บ, บวงมหาวิทลแห่งรัฐมานั้นแต่นอกต่อสิบเจ็ดปีปัญหาที่คนจะต้องตอบมันไม่แค่พระตอบคือกระทรวงศึกษากระทรวงมหาวิทยาลัยนั่นแหละต้องตอบเราสอนเด็กยังไงตัง้งสิบ็ดปีอ่านหนังสือไม่ออก โอ้ล้มเด็ดกยังไงตั้งสิบ็ดปีประพฤตินี้เรียบร้อยมาบวชพระตั้งสามวันแล้วจะให้สำเร็จรูปขึ้นมาแท่นั้เราสอนหนังสือสอนไปสอนมาก็ไม่รู้ตัวเองมันผิดผลมาตัวเองมไม่ได้ผิดผลคนอื่นเพราะว่าเด็กเนี่ยจากช่วงเรียกว่าอายุ ป, ประมาณนี่แหละประมาณส3สามขวบเนี่ยประมาณสงขวบถึงประมาณยี่สิบสองเนี่ยยิบสองยิบสามาจจะถึงยี่สิบห้า มันอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการกับธบวงมหาวิทยลแห่งรัฐแั้วไม่ดีอยู่ที่วัดวัดต้องถูกปลักออกจากศาสนามาตั้งกว่าเกือรอยปีแล้วเพราะในการที่เวลา บ, บวชมาแล้วเนี่ยมันเกิด อ, อา่านหนังสือไม่ออกก็ดีประพฤติเม่ดีร้อยก็ดีติดยาเสติดกดีพระไม่มีส่วนอะไรถ้าโปรดรุ่เด็กเหล่านั้นก็ไปเกีย่ยวข้องกับเด็กเหล่านั้น เด็กที่อยู่ในมือพระมันมีไม่กี่คนอ่ะแล้วว่าที่จริงเนี่ยบันเด็กอาศัยวัดไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยคือพระไม่มีโอกาสกระโลงสั่งสอนให้เธอเช้ามือถูก่นก็ไปแล้วเราก็กลับมาก็ข้ามมือโอกาสที่จะพบกันเนี่ยงม่เคยมี้ลมันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะจากเด็กวัดเป็นเด็กอาศัยวัดเวลาเนี่ยมีลักษณะเป็นเด็กอาศัยวัดในสุง เช่นโอกาสที่เดือดสุมบหวพระสวดมนต์เราไม่ออมากเอาเดือนละสี่ครั้งเหมือนผ่าดเนี่ยแล้วก็มาอบรมกันได้แตการก็หยุดวันเสาร์วันอาทิตยน์วัดจัด ก, กิจกรรมขึ้นในวันพระวันไม่ตรงกันเด็กแกก็ไปเรียนชื่อแกและในสุดก็ไม่มีเด็กเข้าไปทำบัดไม่มีเด็กเข้ารับการอบรมในโบสถ นี่คือปัญหาข้อติดจิงที่เราจะเห็นว่าคือคนเขียนมาๆอย่างนั้นอ่านดูเหมือนเขียนดูๆแบงนี้ไม่เด็ดนี้ก็มุึงก็มูลอะไรไม่ได้ศึกษาติตามอะไรเลยแล้วดูคณะกลุ่มศาสนาและยิงแล้วใหญ่คือไม่ได้แสดงวุฒิภาวะด้านศาสนาให้เห็นหรือเป็นคนที่ปริญญาเขาอะไรเราไม่รู้อ น, นะแต่อย่าลืมมาโครงสร้างการศึกษาข้างนอกเนี่ย มันไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรู้ทางศาสนาเพราะถ้าท่า น, นจะจบปัญญายเอกมาแต่ท่านก็ไม่เก่งหรอกในเรื่องศาสนาเนี่ยเว้นไว้แต่บางคนที่เจาะจงศึกษาค้นคว้าในเรื่องเรานี้จริงๆและประการต่อไปก็คือจะทําแผนพัฒนาการศาสนาศีลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องนะฮะให้สอดคล้องในประชาประเทศแหละอันนี้ที่จริงบอกหรือไม่บอกเนี่ยมันก็รู้กันนะคร มันมีกรอบใหญ่อยู่ข้างบนกรอบเล็กมันต้องสอดคล้องกับกรอบใหญ่มันโครงสร้างการเขียนกฎหมายการทํางานมันก็สอดคล้องกันมาอย่างนี้ตลอดนั่นแหละแล้วก็วิเคราะห์หลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุนเห็นไหมฮะคือหมายความว่าทางสมมุติว่าสถาบันบุรุธศาสนาหรือสำนักบุรุศาสนาแห่งชาติสมมุติเ่าตั้งขึ้นเนี่ย เสนอโครงการเสนอมบประมาณเสนออะไรแต่ไรแล้วเขาก็ต้องตรวจสอบจะพิจารณาอย่างไงจะกัดจะต่ออย่างไงก็ว่ากันไปมีศาสนาอื่นนั่งอยู่ก็คือสิ่งที่ต้องนึกตลอดระยะเวลาเนี่ยงานตัวนี้เป็นงานของพุทธแม้แต่แค่คําว่าศาสนาเมื่อในมันเลื่องานานมันเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันเป็นพุทธเนี่เรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธศิละปะส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธ ว่าทำส่ยนาหญ่ก็เป็นผลวิกออหลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรจัดสรรงบประมาณอุดหนุนช่วยงานบ้านาศนาสนาศิลปวัฒนธรรมตามเหตพื้ที่การใชอยงางที่บอกผมลงไปข้างล่างอีกต่อไสองร้อยห้าสิบห้าหน่วยห้าสิบห้าองค์กรนะเป็ น, นขจีคณะกรรมการเนี่ย อีกางานที้ลงเป็นองพื้นที่นอกจากภาคใต้สี่สามสี่จังหวัดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพุทธฮะเป็นเรื่องของพุทธเกือบจะทั้ง100ร้อยเลยทําไปแต่ตรงนี้อย่าลืมนะว่าศา ส, สนาอื่นก็ตามประกบไปในฐานะตัวแทนศาสนาแล้วก็สนองงานของสมเด็จพระสังฆราชคณะสมมาจะมาคมรวมทัางส่งเสริมกิจการของศาสนาอืน่น อันนี้ก็อาศัยนัยยะของมาตราที่เจ็ดสิบสามเกี่ยวกับําบลการปกครองเราจะลองสังเกตฮะเขาไว้ในมาตราเดียวกันในข้อเดียวกั น, นวงเล็บเดียวกันพูดงานตําบลข้ออยู่ในเรียกวงเล็บเดียวกั น, กนในขณะที่องค์กรศาสนาพุทธเนมีคนถึงเก้าสิบกาเปอร์เซ็นศาสนาหยุไม่ได้เปอร์เซ็นต์ใช่าหมครับบางศาสนานี่ แต่ก็ไว้ในระดับเดียวกันแล้วก็อุปถัมคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอืา่นก็มีลอกข้อความ ม, มาจากมาตราที่จ็สิบสาม้องหมดนะฮะจะทำมาตฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมตลกไหมฮะมาตฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนนไม่ต้องคุณไม่ต้องจัดทํามหรอก ธรรมชาติก็มันมันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วโดวยธรรมชาตินะมนุษย์เราทําให้ส ร, ร้างตนเองให้เดือดร้อนไม่ทําคนอื่นเดือดร้อ น, นก็อยู่ในมาตรฐานของศีลธรรมและจริยธรรมแล้วตํากว่านั้นก็ต่ำรวมาตรฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาแม้แต่การจัดองค์กรบริหารหรือถ้าสร้างความปาัญหาแก่บุคคลอื่นมันก็ต่กากวมาตรฐานหลังคุณธรรมและจริยธรรมแม้การบริหารจัด ก, การก็มีลักษณะอย่งนงั้น จะสร้างปัญหาแล้วมันก็ขาดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแต่ยังลืมนะฮะว่ามาตรฐานทางคุณธรรมจะได้ทําเข้าไปหลอมรวมอีกก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีศาสนาแต่เอกสารหลอมรวมนั้นยังยังไม่ได้ดูนะเพียงแต่ว่าได้อ่านคําสัมภาษณ์ของทนเลขาธิการปราการศาึกษาว่ากําลังทําไปได้ตั้งเท่าไหร่แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเข้าใจว่าตอนนี้อาจจะเสร็จแล้วก็ได้ วันาะใเหตุนี้มันประโมพหสิยานจึงต้องแวะมาประรบเรื่องนี้ก็ประมาณสิบครั้งแล้วกั น, นต้องฟังทงัง้งหลายใต้โลมพหสิยานในวันนี้ขอยุตติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี